สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่กระพบกับรายการชีวิตวัฒนธรรมและดิฉันพนธธรรมเนียมอินอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราพบกันเช้ามืดของวันเสาร์ที่20กรกฎาคมครึ่งปีผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะสัปดาห์นี้คงเป็นสัปดาห์ที่ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนอิ่มบุญกันเต็มที่แล้วก็คงมีความสุข เป็นพิเศษอีกช่วงหนึ่งนะคะเพราะว่าหลายคนลางานวันจันทร์วันเดียวได้หยุดตั้ง5้าวันเดินทางไปทำบุญเดินทางกลับบ้านเดินทางไปท่องเที่ยวเดินทางไปปฏิบัติธรรมและอะไรอื่นอื่นอีกมากมายกับครอบครัวกับคนที่รู้ใจหรือกับคนที่รักใคร เห็นเองพนาธรรมเนียมอินนะคะก็ได้มีโอกาสไปทําบุญกับครอบครัวในวันอาสาหะบูชาค่ะก็ขอนําบุญมาฝากแฟนๆรายการที่เคารพรักทุกท่านด้วยนะคะรู้สึกมีความสุขแล้วก็สบายใจเพราะว่านั่งแท็กซี่ไปนั่งแท็กซี่กลับเนี่ยโชเฟอร์แท็กซี่เขาก็จะรู้สึกมีความสุขไปด้วยตอนที่จะไปวัด โบกแท็กซี่เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเพิ่งไปอีกวัดหนึ่งอันนั้นเป็นแม่กับลูกชายอันนี้เป็นแม่กับลูกสาวเขาก็พูดถึงผู้โดยสารของเขาที่เพิ่งไปส่งอีกวัดหนึ่งแล้วก็พูดถึงดิฉันพ่อขา ก, กลับก็ได้แท็กซีใ่ใจดีใจ ด, ใจดีกลับมาส่งที่บ้านแล้วก็ไปทํา ง, งานต่อโชอเฟอร์แท็กซี่ก็พูดอีกนะคะว่าดูลงๆสบายๆแล้วความรู้สึกที่ตรงกันอย่างหนึ่งระหว่างดิฉันกับโชเฟอร์แท็กซี่ก็คือ ทุกเทศกาลงานบุญเราจะเห็นคนไทยกุลีกุกจอเต็ม อ, อกเต็มใจแล้วก็ตั้งอก ต, งตั้งใจไปทำบุญกันเสมอตัวโชเฟอร์แท็กซี่ท่านก็พูดว่าวันนี้ผมหางเงินก่อนรออีกสักวันสองวันไม่เป็นไรใช่ไหมครับที่ผมจะเอาเทียนพรรษาไปถวายวัดโน่เลยผมชอบไปวัด บ, นนบ้านนอกป้านอกกลางทุ่งอะไรอย่างเงี้ยผมเคยไปนะครับทางแปดลิ้วอู้หูคุณรู้ไหม ผมค็นึกว่าออกมากลางทุ่งนาแล้วเนี่ยไกลผู้ไกลคนแต่คนกลับเยอะเรนก็เลยบอกว่าคนเขาคิดเหมือนคุณไงคือวัดในเมืองเนี่ยมีผู้คนไปทําบุญกันเยอะแยะมากมายแล้วก็แบ่งเอาบุญไปทําในวัดชานเมืองหรือชนบทบ้างแต่คนคิดเหมือนกันเยอะดังนั้นไม่ว่าจะไปที่วัดไหนคนก็เยอะเหมือนกันก็เลยเป็นที่มาให้เรารู้สึก อิ่มใจอิ่มบุญไปด้วยกันว่าทุกเทศกาลงานบุญคนไทยเราพุทธศาสนิกชนทั่วโลกต่างมุ่งจิตทำบุญทำดีให้ถวายถ้าให้นี่ก็คือคนเสมอกันหรือต่ำกว่าถวายเราก็จะใช้กับผู้ที่สูงกว่าเช่นพระภิกษุนะคะดังนั้นเอาบุญมาฝากไปด้วยกันค่ะแล้วสิ่งที่ เป็นสัญลักษณ์ของปีนี้ก็เริ่มปรีบานสวยงามมากอา้าวหลายคนงงคุณพนออะไรละ่ะก็คือดอกข้าวพันษาไงคะคุณผู้ฟังคะหลายๆท่านจะเห็นดอกไม้สีสวยช่องงามแปลกตา ขายตามร้านดอกไม้ตอนนี้และมักจะเป็นสีขาวที่มีเกสรสีเหลืองเป็นช่อยาวใบลักษณะเหมือนใบว่านทั่วๆไปถ้าจะเปรียบง่ายๆคล้ายๆใบกระชายซ้่งนั่นคือดอกข้าวพันษาค่ะที่บ้านดิฉันเนี่ยจะมี พันธ์สีเหลืองซึ่งเขาเรียกมหาหงเป็นช่อสั้นๆลักษณะคล้ายหงคองเงินเอนสวยๆอันนี้ออกดอกทั้งปีเป็นวัชพืชเต็มบ้านไปหมดเวลาใครอยากได้ดิฉันก็จะเก็บเม็ดบ้างขุดต้นเล็กไปให้เป็นกอๆเลยออกดอกทั้งปีสีเหลืองแต่ถ้าเป็นสีชมพูกับสีขาวอันนี้ลักษณะช่อดอกจะยาวคืบกว่าแล้วก็โค้งเรียวสวยนะคะแต่ถ้า เกสรลี่ออกแล้วก็จะเป็นลักษณะเหมือนหงเหมือนกันสีชมพูกับสีขาวนี้มักจะออกเฉพาะตอนเข้าพรรษาจริงๆหลายคนบอกเอาแล้วคุณมานอนที่เหลือทำอะไรอยู่ต้นไม้บางชนิดคุณผู้ชคะมันจะนอนค่ะนอนจริงๆนะดิฉันใช้คำถูกต้องมันจะพอหมดเทศกาลหมดหน้าฝนหมดฤดูกาลมันก็จะต้นเหี่ยวเหลือแต่หัวที่ฝังอยู่ใต้ดิน นะคะพักนอนหนึ่งปีต้นนี้จะเป็นหนึ่งคือข้าวพันษาและสองที่ที่ฉันเห็นในบ้านคือต้นเปราะหอมหมดที่ดูฝนปุ๊บใบหายไปเลยจนกระทั่งฝนมาเมื่อไหร่เปราะก็จะเริ่มผลิใบขึ้นมาแทงใบใหม่ขึ้นมาให้รดน้ำชุ่มยังไงมันก็ไม่ตื่นค่ะมันจะนอนของมันอยู่อย่างนั้นแต่พอฝนมาปุ๊บจเจ้าเปราะจะ เริ่มมีใบางามสะพั่งเต็มกระถางไปหมดเอาหัวมาปรุงเป็นเครื่องแกงก็ได้เอาใบามาซอยฝอยฝอยใส่ผัดอะไรก็หอมเป็นสรรพคุณทางสมุนไพรส่วนดอกข้าวพันษานะคะเริ่มแล้วตอนนี้นะคะที่พระพุทธบาทนะคะวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหารอำเภอรพระพุทธบาทจงังหวัดสระบุรีแห่งเดียวในโลกนะคะก็จะมีขบวนแห่บุพชาติที่เป็นรถบุพชาติประดับตกแต่งสวยงามเพื่อร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลประเพณี ต, ตักบาทดอกเข้าพรรษาแห่งเดียวในโลกนะคะก็กระทำไปแล้วเมื่อวันที่15กรกฎาคมเห็นรูปในหนังสือพิมพ์ก็สวยสุดงดงามมากเลยนะคะ ท่านใดที่ได้มีโอกาสไปเที่ยวร่วมงานบุญนี้ก็คงจะตื่นตาตื่นใจกับดอกไม้ธรรมชาติที่มีชมพูมีขาวแล้วก็มีเหลืองประดับตกแต่งสวยงามแล้วมีคนเล่า ว, ว่าเคยไปตักบาทดอกข้าวพันสาก็จะนำดอกไม้นี่แหละเดินขึ้นบันไดพระพุทธบาทสระบุรีไปนมัสการรอยพระพุทธบาทที่อยู่บนยอดเขาก็เป็น อีกในาย่าหนึ่งนะคะที่คนไทยได้มีโอกาสทําบุญแล้วก็มองไปถึงสิ่งรอบๆตัวซึ่งเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นความพิเศษในชีวิตชีวิตที่เป็นวัฒนธรรมของเราแล้วก็สืบเนื่องยาวนานมาตลอดและดิฉันก็เชื่อมั่นว่าจะยาวนานต่อไปอีกแน่นอนนะคะพอพูดถึงดอกข้าวพันสา คุณได้ฟังหลายๆท่านก็จะนึกถึงดอกไม้หลายๆชนิดที่คนไทยนิยมนำมาเป็นดอกไม้สำหรับถวายพระเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงที่สองนะคะตอนนี้คุณบิ๊กผู้ควบคุมเสียงก็เตรียมเพลงเพราอๆให้เราได้พักฟังกันแล้วเชิญฟังเพลงจากคุณบิ๊กก่อนนะคะ ใจมีรักดังจุนกพอบินบินไปไกลแสนไกลหัวใจฉันก็ลอยลิบไปถึงแดนดินทิน้งใดในใจโอด้ดวงใจเจ้าเอ๋ยเมื่อตาเราก็รักจากแกรงกลัวฉันได้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 ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ชั้นเจ็ดศูนย์การค้าบางซื่อจังช่นขณะ น, นี้ทุกท่านกำลังรับฟังรายการชีวิตวัฒนธรรมทาง SM89.5 สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีดิฉันพนธรนรมเนียมอินอยู่เป็นเพื่อนทุกทุกท่านนะคะเช้ามืดวันเสาร์ตั้งแต่ตี4ีถึงตีหค่ะคุณผู้ฟังเอาดอกไม้อะไรไปถวายพระคะ แล้ท่านก็บอกว่าโอ้สะดวกที่สุดเลยพวงมาลัยกล้วยไม้แล้วก็ดอกไม้สีสวยๆที่เขาขายตามประตูวัดนั่นแหละที่ดิฉันไปทำบุญ น, นะคะวันที่เป็นวันอสัญหาบูชาเนี่ยดอกเข็มขาวที่บ้านบ้านสะพร่งเต็มต้นเลยค่ะสิบกว่าชอ่อหอมฟุ้งไปหมดดิฉันก็เลยบอกสมาชิกที่บ้านว่าเดี๋ยวไปตัดดอกเข็มไปถวายพระกัน โดยไม่ต้องไปซื้อดอกไม้ที่เขากำถวายเรนก็ได้ดอกเข็มสามช่อโตๆเป็นเข็มขาวที่หอมมากไปถวายพระนะคะแต่ถ้าให้เรานึกถึงดอกไม้ที่เราณมักจากการนำไปถวายพระก็จะมีดอกบัวนี่แหละคะ่ะเป็นพรึกษาในพระพุทธศาสนาเป็นดอกไม้บูชาสิริมงคลนะคะที่ผู้คนนิยมกันมากมาก จนเด่นเคยเล่าถึงเทศกาลโยนบัวที่สมุดประการไปก็มีดอกชนิดที่สองนะคะก็คือกุ้ยไม้ต่างๆชนิดที่สามก็คือมะลินะคะเป็นดอกไม้ที่คนไทยมักจะสรรหาดอกไม้ที่สวยมีกลิ่นหอมแล้วก็ดูมีคุณค่าทางจิตใจเด่นเห็นหนังสือพิมพ์ d a ล l y น e w s หน้าวาไรตี้เมื่อวันอังคารที่16กรกฎาคมซึ่งก็เป็นวันอาสาหะบูชาขึ้น15ค่าเดือน8ปีกุ่นะคะโดยคุณพงพันธ์บุญเลิศท่านเขียนวาไรตี้เอาไว้น่าอ่านมากเลยค่ะดิฉันอ่านแล้วดิฉันก็อิ่มเอมในใจนะคะมีทั้งภาพประกอบที่เป็นดอกบัวสีเหลืองสวยๆดอกมะลิดอกสออาละ โพแล้วก็ภาพที่พุทธศาสนิกชนไปตักบาตรพระภิกษุกันนะคะก็เลยอยากจะขอนำเรื่องนี้มาอ่านให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะว่าเรื่องราวของดอกไม้ที่เป็นดอกไม้มงคลใช้สำหรับบูชาในพระพุทธศาสนานั้นก็สามารถให้เราเรียนรู้ธรรมะจากธรรมชาติได้เหมือนกันคุณพงพันธ์บุญเลิศเขียนเอาไว้ว่า ต้นไม้มีคุณค่าคุณประโยชน์อเนกอนันต์ไม่เพียงช่วยผลิตออกซิเจนสร้างอากาศสดชื่น <Okay. S 1> ให้ร่มเงาให้ความร่มรื่นแล้วต้นไม้ยังเป็นคลังความรู้สำคัญเชื่อมโยงการเรียนรู้หลายมิติต้นไม้ในพุทธศาสนาต้นไมห้หลายชนิดเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพุทธประวัติ เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนานะคะวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่เวียนมาบรรจบจากเกล็ดความรู้พันไม้การศึกษาพรึกษาและพุทธศาสนาการเดินรู้ธรรมะจากธรรมชาติดอกเตอร์สวัสด์อโนไทยัยคณะบดีคณะปรัชญายและาศาสนามหาวิทยาลัยเซนจอดให้ความรู้ในประเด็นนี้ว่า พุทธศาสนามีความเชื่อมโยงผูกพันกับธรรมชาติในเรื่องของต้นไม้ในพุทธประวัติที่มีอยู่มากมายการได้ศึกษานอกจากจะทําให้มีความเข้าใจในความสําคัญของต้นไม้แต่ละชนิดแล้วยังทําให้เข้าใจถึงพุทธประวัติและความหมายความไนยะหรือความในที่ซ่อนอยู่ต้นไม้สําคัญในพระพุทธศาสนาที่จะต้องกล่าวถึงก็คือต้นพระศรีมหาโพธิ์ ต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าประทับตรัสรู้และหลังจากตรัสรู้พระองค์เสด็จไปยังสถานที่ต่างๆทรงแสดงธรรมโดยในพระตรายปิดกและจากการศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการยังกล่าวถึงต้นไม้อีกหลายชนิดเช่นต้นไซที่อยู่ระหว่างกรุงราชครึกกับเมืองนานันธาซึ่งมี มานพผู้หนึ่งได้พบพระพุทธเจ้าและขอบวชที่ต้นไม้แห่งนี้ครั้นบวชล่วงไปแล้วเจ็ดวันก็บรรลุพระอรหรันต้นมุจจรินหรือต้นจิกต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าประทับหลังจากตรัสรู้โดยขณะที่พระพุทธเจ้าประทับใต้ร่มก็มีพยามุจจรินนาคราชวางขนดแผ่พังผ่านปกป้องพระองค์จากสายลมและสายฝน พระพุทธองค์ทรงเปล่งอุทานแสดงความสุขที่แท้อันเกิดจากการไม่เบียดเบียนกันนอกจากนี้ยังมีต้นสาระต้นไม้สูงใหญ่ที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าต้นพระสีมหาโพธิ์เป็นต้นไม้ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าทำให้ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญได้แก่เหตุการณ์ครั้งประสูตรและเมื่อทรงดับขันธปรินิพานก็เสด็จมาที่ใต้ต้นสาระ ส่วนต้นปาริชาติหรือต้นทองหลางต้นไม้สวรรค์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเทศนาโปรดพระมารดาดอกเตอร์สวรรัสดให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าสวนและป่า ก, ก็มีความสำคัญมากเช่นเดียวกันโดยหลายสถานที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาดังเช่นลุมพินีวันสวนที่ประดุจของพระพุทธเจ้าภายใต้ต้นสาระใหญ่และอีกหลายสถานที่มีความร่มรื่น สงบชลมจิตใจให้ร่มเย็นเป็นสัปปายะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าในทางศาสนาตระหนักถึงการให้ความสําคัญกับธรรมชาตินอกจากต้นไม้พระพุทธศาสนายังมีคติเกี่ยวกับดอกไม้ทั้งการนํามาใช้ประกอบในพิธีกรรมในพระพุทธศาสนาเป็นพุทธบูชาดอกไม้ที่ปรากฏในพุทธประวัติหลายชนิดโดยหนึ่งในดอกไม้ ที่แฝงไว้ด้วยความหมายลึกซึ้งเชื่อมโยงคำสอนในพระพุทธศาสนาอย่างเด่นชัดก็คือดอกบัวดอกไม้ที่มีบทบาทเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา<ๆ>เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินชีวิตของคนไทยมายาวนานดอกบัวมีความสวยงามมีกลิ่นหอมละมุนในเชิงศาสนาใช้ดอกบัวเป็นอุปมา โดยมีข้อความกล่าวอยู่ในพระไตรปิฎกหรือในอัตถคถ า, ธาพูดถึงดอกบัวอยู่หลายเรื่องซึ่งในภาพรวมกล่าวถึงดอกบัวเป็นการยกย่องเชิดชูบูชาสูงสุดเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนามีความเชื่อในเรื่องของกรรมลิขิตขึ้นอยู่กับการกระทาผู้ใดทากรรมใดก็ย่อมจะได้รับผลกรรมนั้น พุทธศาสนามุ่งเน้นเรื่องของความเพียรพยายามการชนะปัญหาอุปสรรคและกิเลสต่างๆได้ด้วยปัญญาดอกบัวจึงเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของการให้ความหมายดังกล่าวหากจะพิจารณาก็จะเห็นว่าบัวเป็นดอกไม้ที่ต้องต่อสู้เป็นดอกไม้ที่มีความพิเศษกว่าที่ดอกบัวจะผลิบานกลายเป็นดอกไม้ที่มีความสวยงาม ต้องโโปรพนจากคโคลนตมต้องฝ่าฟันสิ่งที่จะเป็นอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นฝูงปลาหอยหรือเต่าที่มาเกาะกินทำลายสิ่งเหล่านี้เป็นข้อคิดมุมมองสำคัญดอกบัวจึงเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้และที่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดการชนะใจตนเองชนะต่อกิเลสซึ่งมนุษย์สามารถจะต่อสู้ฝ่าฟันโดยใช้ปัญญาให้ก้าวพ้นอุปสรรค สิ่งที่เป็นกิเลสต่างๆได้และพัฒนาตนเองไปสู่คุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดขึ้นอีกในยะหนึ่งแงสสำคัญที่ศึกษาได้จากดอกบัวคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีหลายระดับ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพทางด้านร่างกายการอยู่ร่วมกันในสังคมและอีกสิ่งสำคัญหนึ่งก็คือการพัฒนาคุณภาพจิตใจด้วยการเจริญจิตภาวนานาไปสู่การพัฒนาทางปัญญามองเห็นและเข้าใจสิ่งต่างๆด้วยปัญญาทั้งนี้ดอกไม้ชนิดอื่นๆก็มีคุณค่าแต่อาจจะมีในายา มีความหมายที่แตกต่างกันไปแต่สําหรับดอกบัวในทางพระพุทธศาสนาสื่อแสดงให้เห็นถึงความบากบันการต่อสู้ที่จะชนะต่ออุปสรรคกิเลสทั้งปวงด้วยความพยายามที่จะยกระดับสิ่งที่เป็นปัญหาก้าวข้ามไปสู่ความหลุดพ้นเป็นนัยยะหรือเป็นความหมายที่บอกให้เห็นได้จากสิ่งที่เป็นธรมนธรมชาติและนําธรรมชาติ กลับมาสู่การพัฒนาตนเองดออรสวัสดิ์กล่าวเพิ่มอีกว่าดอกไม้มีหลายชนิดนิยมนำมาบูชาพระเพื่อเป็นสิริมงคลนอกจากดอกบัวก็ยังมีกล้วยไม้มะลิดาวเรืองทั้งนี้การบูชาขึ้นอยู่กับความพร้อมความตั้งใจมั่นและจิตที่สงบนิ่งที่จะนำไปบูชา สำหรับดอกไม้ในพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกมีอยู่มากเช่นดอกกัิกาดอกกระทุ่ม、ดอกการาเกด、ดอกโกมุต、ดอกเข็ม、ดอกคูน、ดอกแค่ฝอย、ดอกจำปา、ดอกบัวซึ่งในกลุ่มดอกบัวจะเห็นว่ามีอยู่มากมีหลายชนิดเช่นบัวขาว、บัวหลวง、บัวเผื่อน、บัวข่า นอกจากนี้ก็ยังมีดอกบุญนาคดอกมะลิมะลิซอ้อราชพฤกษ์ดอกสาระและอื่นๆอีกมากมายนะคะดอกไม้เป็นเครื่องสักการะบูชาสื่อแสดงถึงความเคารพโดยแก่นแท้ของการบูชาอยู่ที่ความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแท้จริงของบุคคลนั้นทั้งก่อนการให้กำลังให้และหลังการให้เจตนาทั้งสามวาระเหล่านี้ เป็นไปด้วยจิตอันเป็นกุศลทั้งสิ้นและนอกจากการศักการะที่ถึงพร้อมหากไม่น้อมนำธรรมะมาปฏิบัติก็จะไม่เกิดผลใดดรสวัสดิ์ยังกล่าวทิ้งท้ายถึงการศึกษาต้นไม้ดอกไม้ที่ปรากฏในพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่ดีทำให้เข้าใจธรรมะและธรรมชาติ มันจะนำไปสู่การเรียนรู้หลักคำคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ลึกซึง้งและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตขอบพระคุณคุณพงพันธ์บุญเลิศและขอล้ำเดลินิววารายตี้นะคะที่นำเรื่องราวของต้นไม้ที่เราได้รับฟังกันนะคะจากข้อเขียนความรู้จาก ดรสวัสดิ์อนุไทยคณะบุีคณะปรัชญาและศาสนามหาวิทยายลัยเซนจอดขอบพระคุณทั้งสองท่านและหวังใจว่าแฟนๆรายการก็คงจะได้รู้สึกอิ่มบุญมีความสุขกับเรื่องราวดีๆที่นำมาบอกกล่าวกันในเช้าตรู่ของวันนี้นะคะพักฟังเพลงจากคุณบิ๊กอีกสักเพลงค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อไปนะคะ กวนอุ้ o โบบินรักามแผ่นรักามแผ่นดินเมื่อความรักดินฝ้ายังสิ้นความกว้างกล ห่างไกลกันมากแต่ก็้า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 อ, อ, งง อ, งงองงจอ ง, คงคุณผู้ฟังคะจะเช้าแล้วนะคะหลายท่านก็ท้องฟ้าแจ่มใส ต้องฟ้าเรื่อเรื่องเพราะว่าพระอาทิตย์ขับรถมาใกล้จะส่งแสงให้เราเต็มที่แล้วแต่ว่าหลายๆท่านก็ยังคงทำงานยังไม่ได้พักเป็นกำลังใจกันนะคะดื่มน้ำสักนิดนึงทา ง, งวงก็จอดโดยเฉพาะคนที่ขับรถแล้วก็ใช้เครื่องจักร แต่ถ้าท่านใดเพิ่งจะตื่นนอนก็ขอให้เช้านี้เป็นเช้าที่มีความสุขและสดชื่นเรามีเรื่องราวดีๆที่จะให้เราได้พบเห็นเยอะแยะมากมายและเราก็ต้องผ่านพ้นทั้งเรื่องบวกเรื่องลบในชีวิตไต่มากมายเช่นเทยวกันนะคะแต่พอเริ่มเข้าพรรษานะคะตอนนี้หลายๆคนก็ภาวนาจิตที่จะงดเล่าเข้าพรรษางดอบายยมุก จะไปทาบุญทุกวันพระไปจองเป็นเจ้าหน้าที่ไปจองเป็นผู้เออเขาเรียกว่าเป็นผู้ทาบุญเป็นเจ้าภาพในการที่จะถวายจตุปัจจัยทั้งหลายให้กับพระภิกษุที่มาบวชหรือสามมณรที่มาจำพรรษาอยู่ในแต่ละวัดบางวัดก็จะมีข้าวต้มรับอรุณเนี่ยก่อนที่พระท่านจะไปบิณฑบาตกลับมา หรือในวันพระใหญ่พระอาจจะไม่ได้ออกไปบิณฑบาตแต่มีเจ้าภาพไปทำบุญที่วัดแล้วก็จองทำข้าวต้มรับอรุณก่อนพระจะฉันเช้าฉันเพลมีกิจกรรมสำคัญเยอะแยะมากมายที่ทำให้คนเรามีความสุขที่จะได้ทำบุญฝึกการเป็นผู้ให้และไม่ตรนิทีเหนียว สิ่งดีงามเหล่านี้เกิดขึ้นมากมายแต่คุณผู้ฟังคะที่ฉันจะถิงถ้ายในเรื่องของการทําบุญที่โอ้ดิฉันไปเห็นของแปลกใหม่แต่คุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะบอกคุณพ่ อ, อเห็นมานาเร็วก็ไม่ว่ากันนะคะปกติดิฉันไปทําบุญแถวบ้านดิฉันเนี่ยก็อยู่แถวรามอ e ินทรากิโลแปดวัดคูบอนค่ะไปทําบุญเกือบจะทุกเทศกาลที่วันนี้ก็จะมีพิธีกรรมตั้งแต่ ขึ้นบ้านจนกระทั่งก็จะมีนวัตกรรมใหม่ให้เราไปทำบุญเยอะแยะอันนี้ยกเป็นตัวอย่างเพื่อให้หลายๆคนได้มีความสุขนะคะไม่ได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่นเลยก็คือทางวัดเนี่ยเขาจะพยายามสร้างกิจกรรมต่างๆ ทำให้เรามีความสึกว่าการไปทำบุญเนี่ยนอกจากจะขนบธรรมเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนาแบบเดิมๆแล้วเขาก็ยังหานวัตกรรมดิฉันขอใช้คำนี้เลยนะคะชีวิตวัฒนธรรมคู่กับนวัตกรรมในโลกยุคดิจิทัล <c oughs> ก็มีตั้งแต่เด็กๆ ก, กับวัยรุ่นชอบนะคะดิฉันเองก็ไปยืนให้กำลังใจแล้วก็ไปทำกับเขาด้วยเพราะดิฉันเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าเราตั้งจิตเป็นกุศล ไม่ว่าเงินของเราสักสลึงนึงบาทนึงหรือกี่ร้อยกี่พันก็ถึงพร้อมด้วยกุศลเช่นเดียวกันนะคะขึ้นอยู่กับกำลังศรัทธาขึ้นอยู่กับสถานะและความพร้อมของแต่ละบุคคลจริงๆบางคนนั่งรถหรูๆมีอุปกรณ์เครื่องทำบุญอย่างพร้อมมูลระดับนึง แต่สำหรับชาวบ้านอย่างดิฉันกับคนที่เป็นมนุษย์เดินดินหากินไปด้วยรายวันหรือพ่อค้าแม่ขายก็จะตั้งอกตั้งใจทำบุญในอีกรูปแบบหนึง่งแต่ดิฉันเชื่อมั่นว่าทุกคนได้บุญเท่ากันสิ่งที่จะเล่าต่อไปนี้ตื่นเต้นค่ะปกติ เราจะนำข้าวปลาอาหารถ้าเทศ ก, กาลเข้าประษ า, านี่ก็จะมีพุ่มใช่ไหมคะพุ่มจานำพันศาที่นำไปถวายพระบางวัดท่านก็ยังคงให้ปักยอดมีการจับฉลากไปถวายพระแต่ละรูปแต่ถ้าใครรีบไม่มีเวลาตรงนั้นก็จะไปถวายในจุด ท, ที่ถวายสังฆทานของวัดนั้นเองก็ทำแบบนั้นเพราะต้องรีบมาทำงานต่อแต่ปรากฏการณ์ใหม่ที่เข้าไปได้ดิฉันสะดุง้งเฮือก ปกติที่วัดเนี่ยเขาจะมีโรงค่ะโรงศพให้เราไปทําบุญกับผู้ที่เป็นศพอนาถารายาตหรือก็จะเป็นการสะดอเขเอาะต่ออายุก็แล้วแต่ใครอยากทําหรือไม่ทําแต่คนทท่ที่ฉันเข้าไปแล้วอยู่ตรงประตูจะเอสะดุ้งเกลือกเลยเพราะมีศพปลอมกระดกขึ้นกระดกลงกระดกขึ้นกระดกลงอยู่ในโรงใส่เสื้อสีขาวมันปราบอุ้ย แล้วก็มีเสียงบรรยายโน่นนี่นั่นเดือนตกใจถอยหลังอยู่นิดนึงอพอไปตรงศพโงศพเด็กเอามีอีกอุ้ยเนาะแล้วก็เทียนปกติเทียนเนี่ยเราก็จะนำเศษเทียนหรือแท่งเทียนที่วัดจัดไว้ให้หย่อนลงในหม้อต้มเทียนแล้วก็ออกกระบวยตักหยอดในเบ้าแห่เทียหลอเทียนใช่ไหมคะ วันนี้เจอนวัตกรรมใหม่ค่ะก็กลายเป็นเทียนนะคะมีเทียนเรียบร้อยกลมๆทําบุญเสร็จเอาไปหย่อนในเป็นเบ้ารีๆพอหย่อนลงไปปุ๊บเทียนก็จะละลายแล้วก็ไหลาตามท่อนําไปสู่เบ้าหล่อเทียนไม่ต้องตักไม่ต้องใช้กระบวยอีกต่อไปแล้วแล้วก็ยังมีเทียน ที่เขาเรียกว่าเทียนแก้ปีชงเป็นเทียนกลมๆตามปีนักษกัตริย์ค่ะช่วยชลุคันทอมาลงมาเสียงมันมีแม้จะกเจกุลก็นำเทียนนั้นแล้วก็เขียนชื่อนำสกุลใส่ลงท่นานบอกว่าเดี๋ยวจะนำไปทำพิธีแก้ปีชงให้อีกต่างหากโอ้ การเสียงซิมซีเมื่อก่อนเราจะไปมีติ้วเขยา่าปัป๊บปัป๊บปปัได้เลขอะไรเดินไปที่ตู้เสียงซิมซีแล้วก็เปลี่ยนคือจะซื้อก็บอกว่าคนคนโบราณเขาไม่ให้พูดคำวมาซื้อกับของศักดิ์สิทธิ์ค่อใหใช้คําว่าเช่าหรือเปลี่ยนก็จะไปเสียงซิมซีอ่านซิมซีแล้วก็จะมีคติค่ะเดนก็ได้รับคําสั่งสอนจากปุญยาแตยายว่าถ้าดีก็นํากลับไปบ้านได้แต่ถ้าเขาบอกว่าเสะดาะข้อมีโ น, น่นมีนี่มีนั่นฝากไว้ที่วัดค่ะ ขออนุมาติขออนุญาตเอาเฉพาะสิ่งดีๆติดตัวกับบ้านสิ่งที่ไม่ดีขอฝากไว้กับบ้านขอพระขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้มาลายหายไปอันนี้เครตที่ไม่รับแต่ตอนนี้ตู้เสียงเซมสีกลายเป็นใช้เหรียญหยอดปึ้งกระจุจุดจๆจจจจจุจุดแล้วก็หยุดแล้วก็มีเสียงทำนายออกมาแล้วก็ตัวเลขแล้วเราก็ไปอ่านมีสามเ็นน้อยมีช่องหยอดเหรียญพอหยอดปุ๊บ ก็จะมีเสียงอนุโมทต์ด้วยเสียงเด็กออกมาโอ้เดนเห็นแล้วคือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยชื่นชมนะคะที่พระท่านก็อยากจะให้ทุกคนที่ไปทำบุญเดนเชื่อว่าเกิดความสุขในหลากหลายแงยม่มุมแล้วเด็กๆ เ, เองก็สนุกกับการที่ไปเรียนรู้ในการทำบุญแต่ละชนิดแต่ละชนิดการชำระนีสง การช่วยค่าน้ำค่าไฟซื้อที่ดินซื้อกระเบื้องก็จะบอกไว้เสร็จเลยว่างเงินแต่ละจุดแต่ละจุดที่ชาวบ้านนำไปถวายเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์อย่างใดในวัดแล้วก็จะมีเ อ, อ่ออะไรนะคะดอกบัวจุดเทียนดอกบัวสำหรับลอยในน้ำด้วยนะคะแล้วก็จะมีขนมปังกับอาหารปลาให้เราเอาไป ให้ทานปลาซึ่งโอ้โหอยู่ในคลองคูบอนเยอะมากปลาสวายนี่ตัวเท่าเด็กเลยนะคะมีทั้งเผือกและไม่เผือกมีปลาดุกปลาช่อนมีเต่าเต็มไปหมดแล้วเจ้าปลาพวกนี้ก็เหมือนที่อื่นๆแลวค่ะพอคนเอาอาหารไปให้มันก็จะรู้มัน ง, ง, ง, ง, ง, งับงๆๆงบงงบางตัวมันเชื่องชนิดที่ท่านั่งลงหย่อนเนี่ยมันมารับอาหารที่เราจะป้อนโดยเฉพาะขนมปังเนี่ยจากมือเลยนะคะก็อันเนี้ย เดียนมองภาพว่าวัดก็อยากให้คนไปทำบุญไปฟังเทศฟังธรรมก็สร้างนวัตกรรมที่ทำให้คนไปแล้วยิ้มได้นอกจากพิธีกรรมเดิมๆก็ยังมีรูปแบบใหม่ๆและพระท่านก็จะมานั่งประจำที่คอยอธิบายคอยแนะนำต่างๆและก็จะมีมัคคทายกกับพวกจิตอาสาไปช่วยอยู่ชาวบ้านธรรมดาได้แหละค่ะที่ไปช่วยพระ ภาพที่หลายๆคนมองอู้แล้ววันนี้พระจะฉันหมดเล้วท่านฉันเสร็จที่เหลือท่านก็แบ่งปันให้ญาติโยมนำไปฉันยิ่งถ้าเด็กๆ เ, เดินเข้าไปบางทีท่านก็จะหยิบให้เด็กๆ เ, เมื่อไปทำบุญต่างจังหวัดหลายที่เนี่ยเขาก็จะเชิญชวนว่าญาติโยมทำบุญเสร็จแล้วอย่าเพิ่งกลับนะอยู่กินข้าวกินปลาด้วยกันก่อนพูดคุยกันก่อนแล้วค่อยกลับ บางคนพอเป็นวันพระไม่ว่าจะแปดค่ำสิบห้าค่ำก็จะนุ่งขาวห่วมขาวแล้วก็อยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดทลางคืนรุ่งเช้าจึงกลับบ้านใครสะดวกเช่นไรก็สามารถดำเนินชีวิตให้เหมาะกับตนเองและครอบครัวเช่นนั้นไม่มีคำว่ามากหรือน้อยสำหรับการทำบุญ เดียนเชื่ออย่างนั้นนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกๆคนเมื่อทําบุญแล้วจิตใจก็จะเป็นไปนตามหัวใจของพระพุทธศาสนาคือหนึ่งเราได้ทดําดีสองเราได้ละความชั่วและสาเราได้ทําจิตใจให้ผ่องใสทุกวันนี้เราเจอโลกที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปมีเรื่องที่หลายๆคนกลัวทั้งธรรมชาติทั้งการกระทําของมนุษย์และสัตว์ที่อยู่ในโลกใบนี้ เราเห็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากมายทำให้เราหวั่นไหวแต่ถ้าเราตั้งสติมีสติปัญญาจะเกิดเราจะสามารถผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ด้วยสติและปัญญาดังนั้นการที่เราได้น้อมนำคำสอนของพระพุทธองค์มาปฏิบัติจนเป็นนิสัยแล้วเราก็ได้ชื่อว่าเป็นคนดีคนหนึ่งของสังคมและเราก็จะมีสติ ในการแก้ปัญหาได้มากกว่าคนที่ไม่รู้จักตั้งสติอยู่ตลอดเวลาที่ไหนเราก็สามารถเจริญสติได้นะคะเพียงแค่เรากำหนดจิตให้มั่นคงตามแต่ละวิชาอาจารย์ที่หลายๆคนได้ปฏิบัติมาแค่เรานั่งรถเมย์รถแท็กซี่ไม่กี่นาทีแล้วคะ่ะเราก็สามารถกำหนดจิตให้เป็นสมาธิได้ด้วยการที่ นำจิตไปผูกไว้แค่ลมหายใจเข้าออกเหมือนกับที่พระหลายๆรูปท่านสอนเราและเราก็สามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้ง่ายๆเลยนะคะให้อภัยแล้วก็แผ่เมตตาเวลาเห็นคนเกิดความทุกข์เช่นเจอรถวิว่วหววววมาในรถนั้นต้องมีคนเจ็บคนป่วยคนไข้เพียงแต่เรากำหนดจิตแผ่เมตตาให้เขาอยากให้เขาหายป่วยและปลอดภัย เราก็เป็นผู้ให้ที่บริสุทธิ์แล้วค่ะนี่คือสิ่งดีๆสำหรับชีวิตวัฒนธรรมดิฉันพรรณธรมเนียมอินก็นำเรื่องราวที่เป็นทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตมาเล่าสู่กันฟังนะคะทุกๆเช้ามืดของวันเสาร์ตีสี่ถึงตีห้าทาง f อ8เ5็มแปดสิบเก้าจุดห้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งนี้แต่ตอนนี้ฟ้าสางสว่างแล้วค่ะ เสียงไก่ขันนกร้องแว่วมาแล้วคุณบิ๊กก็ส่งสัญญาณแล้วนะคะว่าเราสามคนจะต้องลาทุกท่านไปอีกวาระหนึ่งดิฉันผนดทำเนียมอินผู้ดําเนินรายการคุณบิ๊กควบคุมเสียงและหาเพลงเพราะๆมาให้เราได้รับฟังกันด็อร์กุลกนิททองเหงาควบคุมรายการกลับมาพบกันใหม่เช้ามืดของวันเสาร์หน้านะคะสําหรับวันนี้